บทที่ห้าสิบสี่ไม่มีเลิกศึกออกพรรษาแล้วและรับกระถินแล้ววันรุ่งขึ้นพระเจริญก็พร้อมที่จะลาสิกขา ท่านนำชุดคารวาสมาไว้ที่กุฏิตั้งแต่วันที่อุปสมบทกางเกงสีเปลือกมังคุดกับเสื้อฮาวายลายพร้อยที่ซื้อมาจากห้างไนติงเกนพาหุรัตถูกพับไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้าเพื่อรอการใช้รอยเคี้ยวของเจ้าโทนที่ฝากไว้ตรงขากางเกงท่านจัด ก, การชุนด้วยฝีมืออันปราณีตจนเกือบจะเป็นเนื้อเดียวกันหากไม่สังเกตก็จะไม่เห็นรอยชุน ซึ่งมีถึงสี่แห่งลักษณะนิสัยการทำงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนเช่นนี้ท่านได้รับการถ่ายทอดมาจากโยมยายทันทีที่ฉันพัทหารเช้าเสร็จพระหนุ่มก็เดินไปยังกุติสมภารครั้นถึงจึงกราบเบีนจานข้าประดิษฐ์สามครั้งแล้วบอกความประสงค์หลวงพ่อครับผมมากราบเรียนว่าจะศึกวันนี้หลวงพ่อกรุณาทาพิธีศึกให้ผมด้วย อะไรการเพิ่งรับกระถินไปเมื่อวานวันนี้จะสึกเสียแล้วหรือหลวงพ่อชอบคานอยู่ในทีผมคิดจะสึกตั้งแต่วันออกพรรษาแต่หลวงพ่อให้รอรับกระถินก่อนผมก็ปฏิบัติตามบัด น, นี้งานกระถินก็ผ่านพ้นไปแล้วผมจึงขอลาสิขาครับพระหนุ่มกราบเรียนตามตรงสำหรับท่านชีวิตใต้ร่มกาสาวพัด ช่างหน้าเบื่อนายแล้วก็สุดแสนจะอึดอัดระอาจึงมีปรารถนาที่จะพักพิงต่อไปอีกแม้แต่ราตรีเดียวผ้าเหลืองมันร้อนถึงขนาดนั้นเชียวรึสมภารตำหนิกไกลๆมันก็ไม่เชิงหรอกครับเพียงแต่ว่าผมไม่อยากเป็นพระที่ต้องมาบวชก็เพราะขัดโยมแม่ไม่ได้ท่านเผยความในใจที่อัดอั้นมาช้านาน ถ้าเช่นนั้นก็ตามใจจะศึกหาลาเพศฉันก็ไม่ว่าในเมื่อเธอไม่มีศรัทธาคืนอยู่ต่อไปก็ไรประโยชน์ศึกออกไปทำมาหากินก็ดีแล้วคนที่เขามีบุญจริงๆเท่านั้นนะ่ะจริงจะอยู่ในผ้าเหลืองได้คำพูดของสมภานทำให้พระหนุ่มหน้าสลดลงกระนั้นก็ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนใจอยู่กรองผ้ากาสาวพัด ต่อไปอีกหลวงพ่อช่อบเห็นว่าไม่อาจชักชวนให้ผู้เป็นศิษย์กลับใจได้จึงพูดขึ้นว่าเอาเถอะฉันจะทำน้ำมนต์สึกเตรียมไว้ให้เธอกลับไปเอาเสื้อผ้ามาก่นแล้วกันรีบรีบหน่อยนะเพราะว่าฉันมีกิจนิมนต์ต้องออกไปฉันเพนที่วัดบางสมสรีพระหนุ่มจึงเดินกลับไปที่กุฏิด้วยหัวใจที่เบิกบาน รู้สึกตื่นเต้นยินดีที่จะได้พ้นจากพิขุภาวะกลับไปใช้ชีวิตแบบคารวาที่ท่านพึงปรารถนาคิดถึงเรื่องดนตรีไทยที่ท่านแรมร้างมานานกว่าสามเดือนศึกออกไปแล้วจะบรรเลงซียให้สมอยากครั้นเข้าไปในกุฏิความยินดีปรีดากลับมาลายหายไป มีความม่วงเหงาเศร้าซึมเข้ามาแทนที่ท่านรู้สึกง่วงนอนกระทันหันปิดปากหาวหลายครั้งจนน้ำตาไหลมีอาการสลึมสลืออย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็เลยเองกายลงนอนอยู่ข้างกระเป๋าเสื้อผ้านั่นเองกำลังเคลิม้มเคลิ้มก็มีเสียงกังวาลดังขึ้นที่ข้างหูน้ำโมยังไม่ได้จะสึกเสียแล้วน่าเสียดาย ท่านค้านในใจว่าทำไมจะไม่ได้ไม่เช่นั้นจะรับกระถินได้หรือเสียงนั้นก็โต้กลับว่าได้แต่ปากนะสิพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็ท่องได้แต่ปากแต่ไม่ได้เข้าใจถึงจิตถึงใจรอให้เข้าถึงจิตถึงใจก่อนค่อยศึกไม่ดีหรือยังไม่ทันคิดหาคำตอบก็มีเสียงตะโกนขึ้นมาจากข้างล่างว่า หลวงพี่เราเร็วหน่อยหลวงพ่อชอบให้ผมมาตามประเดี๋ยวท่านจะไปฉันเพลงไม่ทันเพราะต้องเดินไปความเกรงใจสมผานทำให้ท่านฝืนลืมตาขึ้นหากก็ลุกไม่ไหวร่างกายหนักอึ้งเหมือนถูกทับไปด้วยภูเขาทั้งลูกจึงได้แต่นอนนิ่งอยู่อย่างนั้นครั้นจะตะโกนตอบลงไปก็อ้าปากไม่ได้เสียแล้ว เป็นอะไรไปแล้วหนอสมณเณรทรงกรดตะโกนเรียกอีกครั้งเมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบก็ถือวิสาสะขึ้นไปข้างบนเห็นพระหนุมนอนเหยียดยาวอยู่กลางห้องก็ตกใจรงเข้าไปจับแขนท่านเขย่าแรง หลวงพี่เป็นอะไรไปครับสัมผัสของสมณเณรทำให้ความรู้สึกเหมือนภูเขาทับหายไปท่านยันกายลุกขึ้นนั่งพูดกับสมเณรด้วยเสียงแหบเครือว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยู่ๆหลวงพี่ก็ง่วงเหงาหา่นนอนเลยหลับอยู่ตรงนี้เองหลวงพี่ได้ยินเสียงเรียกของผมหรือเปล่าครับได้ยินนะแต่มันลุกไม่ขึ้นไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลย ไม่นำซ้ำยังมีเสียงประหลาดมากระซิบที่ข้างหูสงสัยหลวงพี่คงจะฉันมากไปแล้วก็ทำให้ทาตุไม่ปกติสมณเณรทรงกรดพูดตามที่ใจคิดพระเจริญออกกรดโกรดที่ผู้อ่อนวัยกว่าไม่เชื่อในสิ่งที่ท่านพูดที่คิดจะเล่าต่อเลยไม่กล้ารีบไปหาสมภารเรเร็วเถอะประเดี๋ยวท่านจะไปฉันเพน สมณเณรอย้ามถึงเหตุที่ต้องมาตามถ้าเช่นั้นหลวงพี่จะไปเดี๋วนี้ขอบใจเนียนมากที่มาบอกพูดจบก็เดินลงกุฏิสมณเณรวัยส8ปจึงถามขึ้นว่าแล้วไม่เอาชุดคารวาสไปหรือทำไมถึงไปมือเปล่าอย่างนั้นหลวงพี่จะยังไม่สึกวันนี้เริกไม่ดีใชแล้วเอาให้พรุ่ง น, นี้ค่อยสึก พระหนุ่มเดินอย่างรีบรุดไปยังกุติสมพานหลวงพ่อช่อทำน้ำมนต์สึกไว้ให้เสร็จสรรพครั้นเห็นพระหนุ่มเดินมือเปล่าเข้ามาเช่นนั้นจึงถามอ้าวและชุดคารวาสละ่ะผมยังไม่สึกครับพรุ่งนี้ค่อยสึกท่านตอบพระอันดับสี่รูปที่มานั่งรออยู่ต่างก็มองหน้าพระหนุ่มเป็นตาเดียวกันหลวงพ่อช่อรู้สึกหัวเสียจึงต่อว่าตอขาน อะไรกันพูดกลับไปกลับมาเดี๋ยวจะสึกเดี๋ยวไม่สึกถ้าให้คนอื่นเขาเสียเวลาฉันไม่สนใจเธอแล้วอยากสึกก็ไปสึกเอาเองว่าแล้วก็ยกบาทน้ำมนตตรงหน้ า, าศาสตร์โครมลงไปข้างล่างคว้าย่ามกับตลปัดแล้วก็เดินลงกุฏิไปพระเจริญจึงพูดกับพระอันดับว่าหลวงพี่ที่เคารพ ผมขอประธานโทษที่ทำให้พวกท่านต้องมาเสียเวลาเพราะผมรูปที่พรรษาแก่กว่าเพื่อนจึงปรบว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าเธอยังไม่อยากศึกก็อย่าไปฝืนใจเอาละพวกเราแยกย้ายกันกลับกุฏิได้แล้วประโยคหลังท่านพูดกับพระภิกษุสามรูปที่มานั่งเรียงตามลำดับพรรษาเพื่อทำพิธีศึกให้พระเจริญ เมื่อพระอันดับทั้งสีรูปพากันกลับไปยังกุฏิของตนแล้วพระนมนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นค่อนข้างนานใจว้าวุ่นด้วยไม่รู้จะทำประการใดครั้นจะกลับไปที่กุฏิก็เกรงจะเกิดอาการประหลาดๆเหมือนเมื่อครูน่นี้ในที่สุดจึงตัดสินใจได้ภาวะคับขันเช่นนี้ไม่มีใครช่วยท่านได้นอกจากโยมยายท่านไปหาโยมยายดีที่สุด ยายกับหลานสาวสารวนอยู่กับการเตรียมอาหารไว้ต้อนรับทิศศึกใหม่พระหลานชายส่งข่าวว่าจะสึกตอนเช้าและก็จะกลับมากินข้าวกลางวันด้วยยายเตรียมอาหารที่เขาโปรดมีทั้งแกงส้มต้มยำน้ำพริกโดยมีนางสาวจำแรงเป็นลูกมือครั้นเห็นหลานชายเดินขึ้นเรือนมาในชุดครองผ้ากาสาวะก็แปลกใจ ร้องถามขึ้นว่าอ้าวไอ้หนูเอ้ยท่านทำไมยังไม่สึกอีกไหนว่าจะลาสิขาวันนี้ไงล่ะจำแรงเองรีบไปเอาเสือมาปูให้ท่านนังเร็วๆเข้านางสาวจำแรงลากมือจากการปอกมะละกอเดินไปหยิบเสือมาปูให้พระน้องชายพรางนิมนต์ให้นั่งพระหนุมนั่งลงแล้ว ทั้งยายและหลานก็พากันกราบท่านสามครั้งกราบเสร็จคนเป็นหลานลุกออกไปหาน้ำดื่มมาถวายก็ไหนท่านว่าจะลาสิกขาแต่เช้ายายถามอีกนางสาวจําแรงประเคนน้ำแล้วก็จึงเลี่ยงออกไปปอกมะละกอที่ทำค้างไว้เรื่องมันแปลกมากจะโยมยายถ้าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผู้เป็นยายฟัง คนอายุ87ฟังอย่างสงบกระตั่งพระหลานชายเล่าจบจึงพูดขึ้นว่าคนโบราณท่านสอนไว้ว่าเริกสึกเนี่ยสำคัญมากถ้าสึกตอนเริกไม่ดีบางคนกอตายบางคนติดคุกติดตารางหรือไม่ก็กลายเป็นคนบ้าบอคอแตกไปเลยก็ไหนยมยายเคยสอนอาตมาว่าสุนัขขัดตัง สุมังคะลังทำดีเมื่อใดเมื น, นั้นก็ชื่อว่าเลิกดีไม่ใช่รึพระเจริญแยง้งไม่ใช่โยมสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนตัาหากแต่คนโบราณเขาก็มีเหตุผลของเขาโยมไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนผิดหรอกนะเพราะคําสอนของพระพุทธองค์เป็นสัจธรรมท้าทายต่อการพิสูจน์ทุกเมื่อ ถ้าเช่นั้นก็แปลว่าคนโบราณสอนผิดพระหลานชายแจ้งยั่วสามเดือนมาแล้วที่ท่านไม่ได้ต่อล้อต่อเทียงกับผู้เป็นยายก็ไม่เชิงโยมบอกแล้วว่ายังไงล่ะว่าคนโบราณเขาก็มีเหตุผลของเขา ซึ่งโยมว่าหากตรองดูให้ดีๆแล้วก็ไม่ได้ขัดกับพระพุทธเจ้าคนที่ศึกออกไปแล้วเกิดเหตุการณ์ร้ายๆในชีวิตเพราะเขาทำไม่ดีเมื่อทำไม่ดีจึงได้ชื่อว่าเลิกไม่ดีเช่นบางคนคิดว่าศึกออกไปเนี่ยจะไปปล้นเขาไปเป็นชู้กับเมียเขาหรือว่าไปกินเหล้าเมายาการคิดอย่างนี้ถือว่าเป็นกรรมเรียกว่ามโนกรรม และกรรมก็คือการกระทําซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือว่าทางใจก็จัดเป็นกรรมทั้งนั้นโยมพูดอย่างเนี้ยท่านเข้าใจไหมคนวัยเกือบ90้าิถามพระหลานชายก็พอจะเข้าใจแต่เสียงประหลาดที่ได้ยินนั้นมาจากไหนและโยมยายท่านถามอีกอันนี้โยมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถึงจะไม่รู้ โยมก็อยากจะให้ท่านทำตามคืออย่าเพิ่งสึกเอาไว้ให้ได้น้ำโมและพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วคอยสึกไม่ใช่ได้แต่ปากเหมือนที่เสียงประหลาดว่าเราเรื่องย้ายบ้านไปอยู่ตลาดบางพงพางละ่ะโยมยายพระใหม่ยังห่วงเรื่องทางโลกเรื่องนั้นท่านอย่าห่วงเลยโยมพ่อของท่านจัดการให้เป็นที่เรียบร้อย ลูกเขยเขามีตั้งหลายคนคงจะมาช่วยกันขนย้ายข้าวของได้โดยที่ไม่ต้องรบกวนท่านนิมนต์ท่านอยู่ครองผ้าเหลืองต่อไปจนกว่าเสียงประหลาดจะอนุญาตให้สึกเชื่อโยมเถอะเกิดเขาไม่อนุญาตอาตมาไม่ต้องสึกนั่นสิไม่ไหวกระมังโยมยายท่านรู้สึกหงุดหงิดกับคำแนะนำของโยมยาย ทั้งนี้เพราะไม่ศรัทธาเลื่อมใ ส, สในสมณเพศถึงอย่างไรความรู้สึกเกลียดพระก็ยังไม่ลบเลือนไปจากจิตใจไม่ใช่เพราะพระหลอกฤืท่านเกือบจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งเซธบางแวกยายพอจะอ่านความรู้สึกของหลานชายออกจึงพูดขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็อยู่ต่อไปอีกสักเจ็ดวันแล้วจึงค่อยสึก แล้วก็โยมก็ขอให้ระวังรักษาเนื้อรักษาตัวหน่อยหากเป็นไปได้ก็เข้ากรรมาฐานเสียถามจริงๆเถอตั้งแต่บวชมาเนี่ยท่านเคยเจเริญกรรมาฐานบ้างหรือยังคนอายุ87อยากรู้กรรมาฐานอะไรรโยมยายพระหนุ่มไม่เข้าใจอ้าวก ท, ท่านรับจากพระอุปชาในวันบวชนั่นไงจำไม่ได้แล้วหรือ ที่จ้าคุณพรมวัดแจ้งท่านให้กรรมฐานเกสาโลมานขาทันตาตัดโจตัดโจทันตานักขาโลมาเกษานะท่านเอาไปปฏิบตับติบ้างหรือเปล่าทำไมต้องปฏิบัติและโยมยายรับแล้วก็แล้วไม่เห็นท่านจ้าคุณบอกเลยว่าจะต้องปฏิบตัติพระหนุ่มพูดตรงไปตรงมาอย่างนี้นี่เองเหล่ายายรู้สึกอ่อนใจ เมื่อรู้ว่าหนึ่งพันษาที่หลานบวชนั้นไม่ได้อะไรเลยแม้แต่นโมก็ยังไม่ได้น่าเสียดายผ้าเหลืองนักพระเจริญเห็นท่าทางผิดหวังของโยมยายก็ให้รู้สึกสงสารจึงพูดปลอบใจว่าตกลงว่าอัตมาจะเชื่อโยมยายกลับไปเนี่ยเรียนกรรมฐานกับพระอุปชาเมื่อครบเจ็ดวันแล้วจะค่อยสึก อย่างไรท่านก็ไม่ปรารถนาจะดำรงอยู่ในสมณเพศให้นานกว่านี้ดีโยมขออนุโมทนายายกมือขึ้นประนมเหนือศีรษะแล้วก็บอกพระหลานชายว่าโยมขอตัวไปเตรียมพัทหารเพนถวายท่านก่อนนะประเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาเห็นโยมพ่อโยมแม่ท่านว่าจะมากินข้าวกลางวันที่นี่ป่านนี้กองออกเดินทางแล้ว พูดยังไม่ทันขาดคำทิศพองกับแม่จวนก็ขึ้นบันไดเรือนมาตามด้วยทิศสอนซึ่งขับเกวียนมาส่งเห็นพระลูกชายนั่งอยู่บนเรือนทิศพองก็ทักว่าอ้าวท่านยังไม่ศึกอีกรึก็ไหนว่าจะลาสิกขาแต่เช้า คนทั้งสามนั่งลงเรียบร้อยแล้วจึงกราบพระหนุ่มสามครั้งพระเจริญจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้โยมบิดาโยมมารดาและทิศสอนฟังถ้าเล่าจบทิศพองก็พูดขึ้นว่าแสดงว่าท่านบวชไม่ครบไตรสิกขาไม่ครบยังไงครับโยมพ่อพระเจริญไม่เข้าใจก็ไม่ครบศีลสมาธิปัญญานสิทัน โยมหมายถึงว่าคนที่บวชแล้วไม่ปฏิบัติธรรมไม่เจริญกรรมฐานนั้นเรียกว่าบวชไม่ครบไตรสิกขาคนพวกนี้เมื่อสึกออกมาถึงไม่ได้ไปก่อกรรมทำชั่วบางก็ขี้เหล่าเมายาบางก็ช่อราดบังหลวงบางคนบวชเรียนมานานถึง8ประโยคเกประโยคพอศึกออกมากลับประพฤติชั่วช้ายิ่งกว่าคนไม่เคยบวชสิอีก เหตุเพราะอะไรพระบวดไม่ครบไตรสิกขานั่นเองทิพพองอธิบายยืดยาวพระเจริญรู้สึกร้อนตัวรีบแก้ว่าแต่อาตมาไม่เคยคิดจะทำชั่วช้าสามานอย่างที่โยมพ่อว่าอาตมาจะทำมาหากินในทางสุดเจริตยึดอาชีพเล่นดนตรีแล้วก็สอนไปด้วยอัตมาจะเลี้ยงดูโยมยาย และโยมพ่อโยมแม่ให้ได้รับความสุขตามอัตภาพฟังพระลูกชายพูดแม่จวนปลื้มปิติจนน้ำตาไหล ย, ยกมือประนมแล้วพูดว่าโถพ่อคุณช่างพูดดีคิดดีเหลือเกินมีลูกดีๆอย่างท่านโยมคงตายตาหลับนางสาวจำแรงยกสำรับมาเทียบ ทิดพองจึงช่วยประเคนพระลูกชายพระหนุ่มคิดว่าหลังจากท่านฉันเสร็จและคนอื่นๆรับประทานกันแล้วคงจะต้องปรึกษาหารือกันเรื่องที่จะอพยพยกย้ายไปอยู่ตลาดปากบางหากรอให้ท่านศึกมาก่อนก็เกรงจะเนิ่นนานเกินไปพร ะ, จะเจริญกลับถึงวัดเมื่อเวลาบ่ายครอยส่งน้ำแล้วก็เดินไปที่วัดแจ้งพรมนคร เพื่อขอเรียนกรรมฐานจากพระอุปชาว่ายังไงล่ะเธอนะ่จะศึกเมื่อไรท่านจาได้ว่าพระหนุ่มประสงค์จะบทพรรษาเดียวโยมยายบอกให้อยู่ต่ออีกเจ็ดวันแล้วค่อยศึกขอรับพระเจริญกราบเรียนพระอุปชางั้นก็ตามใจจะศึกวันไหนก็ไปบอกหลวงพ่อหลวงพ่อช่อให้ท่านศึกให้ขอรับเงียบกันไปครู่หนึ่ง พระเจริญก็พูดขึ้นว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับกระผมอยากเรียนกรรมาฐานขอพระเดชพระคุณกรุณาสอนให้กระผมด้วยเถิดขอรับเจ้าคุณพรมนักคราจานออกตกใจในคำบอกกล่าวของผู้ที่เป็นสิทธิ์ที่ตกใจเพราะไม่คิดว่าจะมีพระรูปใดมาพูดเรื่องนี้กับท่านจะว่าไปแล้วตัวท่านเองก็เคยเจริญกรรมาฐานมาบ้างแต่ไม่เคยสอน ท่านมุ่งแต่ด้านปริยัติกระทั่งได้สมณศักดิ์เป็นถึงพระราชาคณะชั้นสามัญเธอจะเรียนกรรมฐานไปทำไมในเมื่อคิดจะศึกท่านหาทางออกจะให้ลูกศิษย์รู้ไม่ได้ว่าท่านสอนไม่เป็นกระผมเพียงแต่อยากให้ครบไตรสิกขาเท่านั้นเองขอรับโยมพ่อบอกว่า คนที่บวชไม่ครบไตรสิกขาสึกออกไปมักจะก่อกรรมทําชั่วถึงจะได้ประโยคแปดประโยคเกก็ยังไม่เว้นเลี้ยวไหลานาคนมันจะชั่วหรือจะดีก็อยู่ที่สันดานมันรอกอย่าว่าแต่พวกที่จะสึกออกไปเลยไอ้ที่ห่มผ้าเหลืองอยู่แล้วยังทําชั่วมีทงเทฉันเห็นมานักต่อ น, นักแล้ว พระเจริญว่าขืนพูดต่อไปคงทำให้พระอุปชาอารมณ์เสียจึงเอ่ยปากกลาคิดว่าวันรุ่งขึ้นจะไปหาครูบาอาจารย์เอาใหม่เจ้าคุณพรมท่านอาจจะไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานก็ได้เพราะถ้าปฏิบัติคงไม่งดงิดงุนง่านง่ายดายอย่างนี้